เกี่ยวในเรื่องของวิทยาประวัติทั้งสี่และก็วาระทั้งสี่คำว่ารรวาล่นี่เข้าใจไหมหมายถึงอะไรวาล่หมายถึงอะไรวาระหมายถึงอะไรวาระาวาล่อย่างตทารรมณวาล่หมายถึงสิ้นสุดคำว่าวาล่าวาล่าในที่นั้นคือการสิ้นสุดของเขาว่าจะสิ้นสุดลงตรงไหนหถ้าสิ้นสุดลงตรงทีิตทาธรารมนะเขาเรียกตทารรมณวาระถ้าหากว่าสิ้นสุดตรงที่ ชาวนะอย่างนี้เขาเรียกว่าชาวนะวาระก็ก็พิจารณาไปตามสภาพของของวาระนั้นๆที่ว่าเขาจะสิ้นสุดลงตรงไหนนี่เขาเรียกวาระเพราะว่าวิถีจิตสิ้นสุดลงตรงที่ตถาธรรมนาดวงที่สองเห็นอย่างนั้นเขาเรียกตถาธรรมนาวาระถ้าชาวนะวาระก็วิถีที่สิ้นสุดที่ชาวนะดวงสุดท้ายอาจจะเป็นดวงที่ห้าที่หกที่เจ็ดหรือก็ไม่มีกําหนด อันนั้นเขาเรียกเขาเรียกวาระของเขาเพราะว่าการสิ้นสุดลงตรงที่ชาวนานี่แน่เสมอเลยอ่ะใช่ไหมบางครั้งก็ห้าบางครั้งก็หบางครั้งก็เจหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนยบางทีนะ่ยบางวิถีเนี่ยมีชาวนาเดียวนะเคยเห็นไหมเอวิทฮะในฌานเ น, นี่ยในฌานในผลสมาบัติบางทีขนาดเดียวเองอ่ะอาทิก็มิกัฌาวนวิถีมีมีชาวนาขนาดหนึ่งเดียวหรืออย่างในนิโรธาสมาบัติ มีผลและจิตขนาดเดียวเองมีชวนะแวบขนาดเดียวแค่นั้นเองถ้าโวอดทะพนาวาล็คือวิถีจิตที่สุดจิสิ้นสุดลงที่โวอดทะพนวาลาดงที่สองหรือดงที่สามหรือที่สองเนี่ยถ้าโมฆาวาลานี่ก็คือวิถีจิตที่สิ้นสุดลงที่พระวังกัจจานะดงที่สองหรือดวงที่หนึ่งคำว่าโมฆาวาลานี่แปลว่าอะไรเขาแปลว่าว่างเปล่าว่างเปล่าวาลาว่างเปล่าคือไม่มีไม่มีวิถีจิต ไม่มีวิธีจิตเกิดขึ้นเลยคณะเป็นวาลัได้ในคำเพียอพิธรรมัทธสังขหายพระนุทตาจาร์กล่าวบอกว่าวาลัสุดท้ายวาลัที่สี่ด้วยอำนาจเชื่อโมัวฆ่าวาละเพราะไม่มีวิธีจิตเกิดขึ้นเลยโดยประกาศอะทั้งปวงท่านว่งางงั้นทีนี้ส่วนในประการอื่นนะในปรมัตถวินิฉัยพระนุทตาจารย์กล่าวบอกว่ากล่าวถึงวาลัที่สองและที่สามที่เรียกโมฆาวาลัเพราะว่าว่างจากวิธีจิตคือ ว่างจากตาธารมณาจิตชาวนาจิตอีกมัติหนึ่งเขาแปลบอกแปลโดยใจความบอกว่าในวงราบอกว่าคืออย่างนี้อาจารย์วันเนีย อ, อาจารย์วันเนียกล่าวเขาไว้กล่าวเขาอาจารย์วันเนียโกรเมศนี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ใหญ่คือว่ า, อาตีมหันตรมวิถีตาธารัมนาวาระชาวนาวาระไม่มีอาชาวนาวาระมีอาอย่างนี้เป็นต้นนั้นนั่นก็ไปจัดกันดังที่ได้กล่าวเขาไว้ที่เราจะศึกษากันว่า เพราะการที่จะกล่าวในเรื่องของวาละเนี่ยบางทีก็เป็นตทารมหนาวาละหรือว่าชาวหน้าวาละไม่มีอาการดุกะพ่วังชาวหน้าวาละมีอาการดุกะพ่วังใช่ไหมโวทัพหนาวาละหรือโมฆาวาละเนี่ย ก, ก็ก็ที่เราไล่กันตามลำดับอันนั้นก็เป็นหลักที่จะต้องทําความเข้าใจกันนั่นคือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวาละทีนี้จากขุทวาริกาอติมหัตารมวิธิตทารมหน้าวาละในวิธีที่หนึ่งเนี่ยนะ ตรงนี้รูปอารมณ์ที่มาปรากฏเป็นอติอิทาอิธามัชตะและอนิธาตามสมควรเป็นต้นเนี่ยพอมองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เป็นจุดในการที่จะไปคิดแล้วว่าตัวอารมณ์ที่เป็นอติอิทาอิทธามมชตะและอนิธาเนี่ยอะไรเป็นตัวกําหนดอารมณ์อะไรเนาะเป็นตัวกําหนดอารมณ์ถึงจะดูความแน่นอนของอารมณ์นั้นได้เราจะมองอะไรเอาเป็นตัวกําหนดของอารมณ์อะไรเป็นตัวกําหนดฮะเอาอะไรเป็นตัวกําหนด เอาท่านมีจุดเป็นเครื่องวัดอยู่นะในจุดที่จะเป็นเครื่องวัดเกี่ยวในเรื่องของเอาวิบากจิตส่วนหนึ่งเอาบุคคลส่วนหนึ่งในเรื่องของการในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของการเกิดขึ้นของการจำแนกประเภทของอารมณ์เนี่ยาบอกอาศัยอะไรนะอาศัยมัชัะตาบุคคลคือบุคคลชั้นกลางอาศัยวิปากจิต อาศัยทวานอาศัยอารมณ์แล้วก็อาศัยการนั่นว่าไงในหนังสือวิถีไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะไเปเปิดกันดูเขาบอกโดยอาศัยมัชตาบุคคลเป็นเครื่องจำแนกอารมณ์เนี่ยเพราะว่าตามธรรมดายบุคคลชั้นสูงเนี่ยแม้จะได้รับอารมณ์วัตถุสิ่งของที่ดีงามแต่ก็ไม่ค่อยจะมีความยินดีสักเท่าไหร่ว่าไงส่วนบุคคลชั้นต่ำและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะถามว่าเพียงแต่ได้รับวัตถุสิ่งของที่เลวๆหยาบๆเท่านั้นแหละ ก็ดีใจเกินเกินก็เหตุแล้วเรือไปพอใจเกินไปก็เลยเอาเป็นเครื่องวัดอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าเอาบุคคลชั้นกลางที่เคยรับอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเป็นตัวแยกแยะเนี่ยเอออันนั้นะ่ะพอจะได้วะงั้นทีนี้อันนี้ท่านบอกว่าโดยบุคคลนะแต่ท่านก็ไม่ได้ชี้ลงไปว่าเออเอาใครแหละเป็นบุคคลชั้นกลางแต่ถ้ามองไปตามนี้มันก็พอจะเห็นใช่ไหม ถ้าอาบุคคลชั้นกลางเป็นตัวจำแนกอารมณ์ทางตหูจมูกลิ้นกายใจไนที่บอกว่าเอะอารมณ์นี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเอาบุคคลเป็นตัววัดเนี่ยคนนั้นต้องเป็นคนกลางจริงๆท่านยิงใช้คําว่ามัชัตาบุคคลบุคคลชั้นกลางว่าไงเออเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าวัดอย่างนี้ก็คือก็ต้องก็จัดตัวาวัดค่อนข้างยากแต่ต่อพุทธเจ้ารู้เลยเนะใช่ไหมถ้าบุพพุทธเจ้าเนี่ย ถึงจะอยู่ระดับนั้นแต่พระเจ้ามาบวชเงี้ยรู้หมดแนะรู้โดยสัมพัญญตญาณพระองค์จะสามารถที่จะวัดรอบรู้ได้ว่าอารมณ์นี่ดีหรือไม่ดีแต่เพราะท่านพระองค์ตรวจสอบได้ทุกอย่างอยู่แล้วนอกจากพุทธเจ้าลงมาคือน่าจะเป็นผ้าละหันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วนี่การจะแยกอารมณ์ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยให้มันตรง สภาวะจริงๆเลยเนี่ยค่อนข้างเดียดยากใช่ไหมฉะนั้นในด้านของมัชชะตาบุคคลเนี่ยถ้าดูพระพุทธเจ้านี่ชัดอันนี้ตามความเห็นนะตามความเห็นของผู้พูดถ้าอย่างเราเราเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ได้เลยแบบนี้นเถอะอย่างเรานนี้พอได้ไหมพอจะจัดตัวเป็นบุคคลมัชชะตาบุคคลได้ไหมพอจะแยกได้ไหมว่าอารมณ์นี้ดีแน่ๆอารมณ์นี้ไม่ดีอะไรเงี้ยรูปรมณ์นี้ดีรูอปอารมณ์นี้ไม่ดีเงี้ย อย่างนั้นก็ยังไม่ถึงไง น, นะแต่ท่านบอกมชตาบุคคลนั้นเป็นองค์แห่งการจําแนกประการที่สองอาศัยวิปากะจิตเป็นเครื่องจําแนกอย่างนี้ชัดเลยถ้าอารม์เป็นอิทธารม์วิปากะจิตที่เกิดขึ้นราดนั้นต้องเป็นกุศลวิปากะจิตเห็นไหมเช่นถ้ารูปารมณ์นั้นเป็นอิทธารม์เห็นไหมเป็นอิทธารม์เนี่ยกุวิปากะจิตนั้นต้องเป็นกุศล เช่นจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะและตทาลามะมนะที่เกิดในวิถีนั้นนั้นจะต้องเป็นกุศลถ้าอย่างนี้ชัดเลยเนี่ยถ้าอารมณ์เป็นอนิทะคืออารมณ์ไม่ดีนะวิปา ก, กจิตที่เกิดขึ้นรับก็จะต้องเป็นอกุศลวิปา ก, กจิตก็อย่างเราก็ดูวิบากได้เลยใช่ไม่ใช่คืออย่างเราตรวจสอบวิบาก <c oughs> เป็นประการอะไรสำคัญ <c oughs> ใช่ไหมแต่ชาวนะชาวนะจิตนั้นน่ะจะเป็นอาศัยตัดสินไม่ได้เลย เพราะชาวนานะนั้นเกิดขึ้นตามอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆที่สั่งสมอยู่ที่โยนิโสมนัิการและอโยนิโสมนัิการของบุคคลคนนั้นจึงเอามาเป็นจุดในการที่จะตัดสินไม่ได้เลยนี่ท่านยกตัวอย่างเยอะท่านในพระสูตรทั่วๆไปหรือในคำพีทั่วไปเนี่ยเช่นเดีรถีเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยทั้งๆอารมณ์นั้นเป็นอติอิทารมืออารมณ์ที่ดีเนี่ยแต่เดีรถีโกรธไม่พอใจ ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเาสียหายแล้วใช่ไหมเสียหายแล้วกลุ่มพวกนี้ฟังพระสัตย์ธรรมเนี่ยฟังไม่ได้เลยเขามองเป็นสิ่งที่ไม่งดมมีฟังเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเงี้ยได้กลิ่นโทกเหงื่อโหเสียหายอีกพวกนี้จะไม่ชอบเด็ดขาดนี่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ส่วนส่วนอีกอย่างหนึง่งยกตัวอย่างท่านยกไปพวกสุนัขเลยสุกรเลยเขาบอกเงีเป็ดไก่เลยเนี่ยได้กลิ่นอุจจาระ เป็นต้นแล้วเนี่ยกับชอบเงี้ยเอาชาวนาไม่ไปวัดไม่ได้เลยหรือแม้แต่มนุษย์บางกลุ่มเนี่ยไ อ, ชอ้ชาวนะที่อกุศลชวนะเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยดันไปชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบเงี้ยมันมีนะคนเที่ยวหาซากหมาเน่าเอาไปให้ปลากินเนี่ยมันมีพ่อเห็นตกอยู่ตามถนนแล้ววิ่งรถไปเอามาเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือไปเอาพวกไอ้บางทีไปหาซื้อที่เขาสูบเอาอุจจาระปัสสาวะเนี่ย เอาไปไว้ใส่อาหารใส่พักเขาไม่เขาชอบอย่างนี้ไม่ได้เอาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ถ้ า, าสายวาวรเป็นเครื่องจำแนกได้ไหมาสายวาวรได้ไหมเช่นวัตถุสิ่งของบางอย่างมิใช่จะเป็นอิทฐาอนิธาในวาวรทั้งหกอายกตัวอย่าง<ม>เช่นท่านยกตัวอย่างบอกว่าอุจจาระเนี่ยเมื่อว่าโดยกายยัารแล้วเนี่ยเป็นอิทฐาลมนะมันนิ่ม ใช่ไหมมันสัมผัสกายเนี่ยถ้ากระทบทางกายยะประสาเรื่องกายยะทวารเนี่ยพราะรู้สึกว่าอ่อนนิ่มถ้าว่าโดยจากขุทวารและคานทวารและเป็นอนิถารลมเพราะรูปอารมณ์มนั่นหน้าเกลียดหรือมีกลิ่นเหม็นเนถ้ามาโนวทวารละ่ะถ้ามาโนวทวารเกิดต่อจากกายยะทวารดีไหมเขาจะดีเลยถ้าเกิดต่อจากจากขุทวารโซตัทวารเนี่ยไม่ไม่เออคานาทวารเนี่ยไม่ไม่ดีลักษณะอย่างเนี้ยก็สา ไอ้อาศัยทวารเป็นเครื่องจำแนกก็ดูดูตามทวาร น, นั้นๆไปาบางอย่างดีสำหรับทวารไหนทวารไหนเออเป็นเครื่องตรวจสอบได้เป็นอย่างดีนะอาศัยอารมณ์เป็นเครื่องจำแนกได้ไหมบุคคลบางคนทว่าจะรูปอารมณ์ศัธารมณมแล้วเป็นอิทธาอิทธารล์เช่นว่าผิวพรรณก็สวยรูปก็งามเนี่ยนะเสียงก็พร่องเนี่ยนิสัยใจคอกับเป็นอานิถารมณ์ ก็เดินแยกอย่างยเห็นเนะเออถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยเรื่องการจําแนกอารมณ์เนี่ยเกี่ยวในเรื่องของอาศัยจักรคูทวารโสตทวารคานาทวารชิวหาทวารกายะทวานเนี่ยเออถ้าไปศึกษาในเรื่องของในจุรตรีที่เคยศึกษามาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เขาตรึกพิจารณาได้ดีเนี่ยทางทวารตาเขาก็ให้บุญเกิดได้และบุญที่เกิดทางทวารตาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างสีสีหนึ่งเนี่ย เป็นปัจจัยให้เกิดทานก น, นกุศลได้ศีลกุศลได้ภาวนากุศลอยยัปญญานะเวี ย, ยาวจาจักปิธานะปัตตานุโมทนะแล้วก็ธรรมะสวนะัสธรรมเทศนาทิฏฐิชุกรรมได้เขาสามารถทําบุญเกรียววัตถุกเกิดได้เพราะปารบสีสีเดียวทําได้เลยบางคนเห็นสีอย่างเดียวเนี่ยปารบเข้าหาทานกุศลได้แค่นั้นแหละศีลไม่ถึงใช่ไหมมองเห็นไหมบางทีเราเห็นสีอย่างเงี้ยโอ้ปลารบถวายทานแค่นั้นเอง แต่ไม่เคยปารลบสีในการที่จะสมาทานศีลเลยบางคนปารลบสูงไปกว่านั้นอีกกำหนดเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาได้เพราะสีสีนั้นมองเห็นไหมยมเสลย์ลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าสีสีเดียวทางทางทวารเดียวทางจากักขุทวารก็ปารลบบุญเกลียววัตถุได้ครบแต่บางบางกลุ่มเนี่ยไม่ถ้าคนตรึกพิจารณาไม่ถูกนะทางอารมณ์อารมณ์เดียวเนี่ยเสียไปหมดแล้วแต่ทางทวารเดียวเนี่ย บางทีไม่ได้บุญสักบุญเลยนะไม่ได้บุญกิจวัตถุอะไรเลยนะทั้งๆ ท, ท, ที่สีหรือว่าอารมณ์นั้นปรากฏทางทวารตาผ่านจนตาจะบอดอยู่แล้วบางคนนะ่ยดูของไปแต่ไม่เคยปลาลบก็หาศีลเข้าหาแค่ทานยังปรารบไม่ออกเลยเอาอย่างเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปดูใครหรอกใช่ไหมเอาอย่างทวารหูเนี่ยทวารหูเราปารบเสียงแล้วปาลารบทั้งทานหาได้หาได้หไดหมเสียงเสียงนั้นแล้วเราจะน้อมใจเข้าหาทานอกุศลได้ยังไง ปลาลบเขารักษาศีลเยอะทีอย่างหมาล่องเนี่ยสุนัขล้องเนี่ยบางคนฟังก็เฉยเฉใช่ไหมถ้าในกลุ่มทีเขาพิจารณาได้เยขาบอกโอ้เนี่ยบอกว่าทำไมจนขนาดนั้นหมาตัวนี้ไม่มีคนดูแลก็เลยไม่มีคนอนุเคราะห์เลยทานกุศลไม่มีเราอย่าเป็นเช่นนั้นเลยปารบศีลโอ้โหเนี่ยเขาขาดศีลนะเนี่ยโทษทั้งการไม่มีศีลเลยจึงเป็นเช่นนี้ใช่ไหมปารบภาวนาโอ้ยิ่งแย่เลยเนี่ยโทษทั้งการไม่เจริญสติและปัญญาเนี่ย ปารลอปจายนะโอ้เขาก็คงแข็งกระด้างในนะอะเรมิตโตเนะี่ยเนี่ยวายาวัจจับปฏิทานะปัปฏทานนะโมธนะเขาไม่ได้ฟังทำไม่เคยแสดงทำและไม่เคยตั้งจิตให้ตรงเนะีขาดอัตต์ไม่เคยมีทิฏฐิชัวกรรมเลยเนหะ็นได้เลยใช่ไหมท่าลักษณะอย่างนี้คนถ้าบอกเอาทวารเป็นเครื่องวัดเนี่ยถ้าคนตรึกลงบุญเนี่ยเห็นดีและไม่ดีก็แยกแยะได้เนี่ยลักษณะเช่นนี้ถามว่าใครเคยเค ย, เคยคิดนะว่า เวลาได้กลิ่นสอบปุ๊บขึ้นมาเนี่ยบางกรคิดถึงอะไรกลิ่นเนา่นาๆปุ๊บมาเนี่ยเราจะอว้ยเหม็นทศาเกิดทันทีใช่ไหมไอ้ทศะเกิดกแค่กลิ่นเนี่ยเราอรุ้ยไม่ไหวทศไม้ไหวว่ทาทสะเกิดทันทีไม่เคยได้กุศลสักกุศลเลยบุญสิบอย่างไม่เคยเกิดทางทะาวาันจมูกเลยดมดมกลิ่นมาจนอุ้จนจมูกจะเสียอยู่แล้วแต่ไม่เคยได้บุญจากทางทะวันจมูกเลยเนี่ย อย่างเี้อย่างนี้เขาเรียกคนไม่เข้าใจคนจเจริญบุญทางเทวันจะบมู่ไม่เป็นใช่ไหมบางคนนี่เวลากินเหม็นเหม็นีน่ท่านปลาลบทันทีครปลาลบฐานกุศลบอกเออเนี e ่ยโทษของการที่เราเอทําบุญมาสร้างเหตุปัจจัยมาในเรื่องของการเอาของไปถว า, ายคงจะไม่ค่อยสะอาดทางด้านกลิ่นเออถึงได้รับวิบากเช่นนี้เนี่ยว่าไั้นี่ยนะบอกเ e ออเนี e ่ยโทษแล้วเอ๊ะทำยังไงล่ะจะตรึกไง โทษของการขาดศีลอะไรลมะมะั้งเห็นไหมไอ้กลิ่นเหม็นๆนี่มันกลิ่นคนตายแล้วโทษของการถูกฆ่าตายหรือเปล่าศาสตร์ที่มันตายตรงเนี้ยตายอายุยังน้อยยังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโทษการขาดศีลปฏิบตัติหรือว่าโทษการเบียดเบียนก็ตึกไปได้เลยเนี่ยน้อมก็หาศีลได้คือเป็นเรื่องปกตินะถ้าคนไม่ตรึกพิจารณาตลอดเหมือนอาหารกันเนี่ยนะปลารบอาหารนี่ทานในกุศลปุ๊บเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นว่า อาหารที่จะน้อมไปถวายพระบางคนปลารบรสนะเออมันนุ่มมันมันอร่อยอยู่รสนี้ปลารบได้เลยเห็นไหมทา น, นากุศลได้เลยนเะบอกเออปลารบนีถ้าพระท่านฉันอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านจะเจริญในไตรสิกขาได้เป็นอย่างดีอย่างว่านางอุบาสิกาในพระาศาสนาใช่ไหมที่อุปการลาพระแล้วพระได้บรรลุภายในวรนาก็เพราะท่าน ท่านฉลาดในเรื่องของการปารบบุญลักษณะเช่นนี้สร้างปัจจัยอาอุตุเป็นปัจจัยแก่โสดาแก่มรักผลของพาาระละหันตั้งสามสิบรูปอย่างเงี้ยโอ้โหตั้งนี้นี่คนฉลาดมีฉลาดขนาดนั้นเนี่ยอุบาสิกาที่ฉลาดแต่ยุคนี้ไม่เคยมีเอาของถวายพระยังให้พระเป็นอบัติอยู่เรื่อยอะไรตั้งี้ระบุอาหารมาเลยว่าแม่เนี่ยระ บ, บุมาแต่ไกลเลย วันนี้เอาไอ้นั้นมาไอ้นี่มาล้พระก็นั่งกลืนนบัตรกันไปอะไเนี้ยไม่กินยังจ้องดูเนีเ อ, อไม่ฉันยังจ้องดูนะใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยเป็นยังไงพระก็เริ่มอึดอัดมากขึ้นมากขึ้นบอกเออถ้าอยู่กับคนไม่เคยรู้พระก็ยิ่งอึดอัดใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงทนกันมาอนไปทนมาเครียดเลยพระเอางั้นนะพระบางองค์คิดมากเครียดใม่สึกดิว่า คนยุคนี้ไม่ยอมรู้เรื่องพระเท่าไหร่นี่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆการวัดทางจําแนกไอ้กระแสอารมณ์เป็นเครื่องจําแนกนี่ตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวกับว่าท่านก็ไม่ได้แยกชัดอะไรลงไปนะเพราะบางอย่างเรื่องมันมันดูอย่างนี้อย่างนี้ในกลุ่มโดยมากคนศึกษาเรื่องวิถีตรงนี้ก็จะชำนาในการแยกแยะบุคลคลก็แยกแยะอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะคนคนนี้ทางด้านรู้ารมณ์ดีเอ๊ะศรัทธารมก็ดี แต่คันธารมไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยราสารลมฝีมือในการทำอาหารเป็นยังไงหรือว่าโหธทพารลมใช้สัมผัสเครื่องนุ่งห่มเป็นยังไงทางด้านจิตใจธรรมารมณ์เป็นยังไงบางคนจิตใจไม่ดีถ้าสายการเป็นเครื่องจำแนกแหะไฟน้ำลมทั้งสามอย่างนี้ เมื่อว่าโดยการแล้วก็เป็นได้ทั้งอิทธาแลอานิฐากล่าวคือไฟในายามฤดูหนาวเป็นยังไงในขณะที่ต้องการการงานทุกอย่างไฟก็เป็นอิทธาเมื่อถึงยามฤดูร้อนหรือไฟไหม้บ้านเรือนเป็นต้นก็เป็นอานิธาน้ําและลมถ้าในยามฤดูของเขาก็สามารถเป็นอิทธาและเป็นอานิฐาได้นี่เป็นอย่างนั้นทีนี้โดยที่สุดก็คือว่าถ้าอาศัยการอาศัยการเป็นเครื่องจําแนก คือเช่นหรือดูหนาวหรือดูร้อนหรือดูฝนเป็นเครื่องจำแนกก็ก็ก็ตรวจสอบไปแต่ถ้าจะให้เท่าที่ดูได้ง่ายๆคือวิปากาจิตนะ อ, ยอย่างพวกเราที่ศึกษาวิถีก็คือดูอารมณ์ดูวิปากาจิตแนละ้วดูวิปากจิตมันเป็นเครื่องจำแนกอารมณ์นั้นๆไปนี่ก็ตรวจสอบอย่างนั้นฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นอิทธิการเกิดขึ้นของวิปากาจิตเนี่ย้ถาถามว่า เวลาใดได้ประสบะอารมณ์ที่เป็นอติอิทธารม์จากขูวิ ญ, ญญาณเป็นต้นจะเป็นยังไ ง, างมาดูในวิถีนี้ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอติอิทธารม์คืออารมณ์ที่ดียิ่งก็ต้องบอกว่าจากขูวิญ ญ, ญาณ น, นั้นก็เป็นกุศลจากขู่เกุศลวิปาจักขูวิญญาณสัมปติจชนะญญากุศลสันติระนาะมีสามดวงก็เป็นสมนะสันติไปเลยโวธัปนาเป็นกิริยาอยู่แล้วจนเชานะ เอาความแน่นอนไม่ได้อยู่ที่อัธยาศัยของวธฏน า, าเป็นตัวตัดสินที่จะเป็นปัจจัยให้กับชาวหน้าที่ดีหรือไม่ดีส่วนตตถารำหน้าแนหรือไม่แนแน่นอนนะก็เป็นไปตามอารมณ์สามประเภทถ้าหาภาษาที่เขาใช้พูดกันตรงนี้เขาจะพูดว่าไงรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารูปารมณ์สามชนิดเนี่ยเขาเรียกรูปารมณ์สามชนิดในรูรูปารมณ์สามชนิดเนี่ยนะต้องดูว่า ทำไมจึงจัดรูปารมณ์เป็นสามชนิดคำว่ารูปารมณ์3มชนิดนี่เป็นชนิดของอติอิทธะอิทธามชตาแล้วก็อนิทธใช่ไหมนี่เขาเรียกรูปารมณ์3ามชนิดแต่รูปความเป็นไปของรูปารมณ์เนี่ยเขาเรียกวิสยาปวะวติใช่เพราะวิสยาปวะวติเขาแปลว่าความเป็นความเป็นไปของอะไรความเป็นไปของวิสัยรูปวิสัยรูปเจ็ดแต่ในที่นี้ความเป็นไปของรูปารมณ์ ใช่ถามว่าความเป็นไปของรูปารมณ์ในวิถีนี้กำลังศึกษานี่คืออะไรเป็นความเป็นไปของรูปารม์ที่แรงมากที่แรงมากใช่แรงที่สุดน่จนสามารถทำให้เข้าสู่คลองของจักรุทธวารโดยการผ่านไปหนึ่งขนาจิตเข้าสู่คลองทันทีเลยอย่างนี้ก็ถือว่าแรงมากแต่รูปารมณ์เนี่ยจะเป็นรูปารม์ที่ดียิ่งก็ได้ รูปอารมณ์ที่ดีปานกลางก็ได้รูปอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้เห็นอันนั้นมาแยกเป็นว่าอติธาอิธามัชตะและอนิธาแต่ความเป็นไปของเขาเนี่ยเรียกว่าวิทยประวติคือความเป็นไปของรูปอารมณ์สามชนิดนี้ฉะนั้นอย่าบางคนไปบอกว่าความเป็นไปของรูปอารมณ์สามชนิดเนี่ยกับ รูปอารมณ์สามชนิดคําว่าอติอิทารมเนี่ยออขอโทษทีคําว่าอติมหันตารมเนี่ยอารมณ์ที่จะต้องดีเนี่ยพูดงี้พูดผิดแท้จริงอติมหันตารมเนี่ยดียิ่งก็ได้ดีปานกลางก็ได้ไม่ดีก็ได้มองเห็นใช่ไหมเนี่ยมี่เขาเรียกว่าสมชนิดจริงๆรูปอารมณ์สมชนิดเนี่ยนะัแต่ความเป็นไปของเขาเนี่ยเรียกว่าวิสยรูปใช่ไหมวิสัยรูปนั่นเอง วิสยาบวกอารมณ์นั่นเองความเป็นไปในอะไรความเป็นไปของอารมณ์ในวาวรเหมือนงวงเล็กก็คือในวาวรในนี้ในวาวรอะไรเนี่ยความเป็นไปของรูปารมณ์ในในจกักขคู่ารเนี่ยชัดเลยความเป็นไปของรูปารมณ์ที่ดียิง่งรูปารมณ์ที่ดีป็นกลางรูปารมณ์ที่ไม่ดีในจกนนักขุู่ถวรนีกแล้วกันทว่าโดยบุคคลเนี่ยนะเอานี้ ทุคติไอเหตุทุกะบุคคลจิต ท, ที่ไปทําหน้าที่ปฏิสนธิก็คืออกุอุเบขาสันติระณนะอกุศลวิบากหนึ่งใช่ไหมอกุศลสันติระณนะสันติระณนะได้ได้ได้ไดอกุศลวิบากสันติระณนะก็ได้อกุศลสันติระณนะเอออุเบขานั่นแหละ ถ้าสุคเตะเหตุตุกบุคคลก็มีเอียเดี๋ยวทุกกตินี่ทุกกติเหตุตุกบุคคลที่ไปทําจิตที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิให้กับเขานี่เป็นเวทนาเลยอุเบขาเวทนานะถ้าสุคเตะเหตุตุกบุคคลสุขเตะเหตุุกบุคคลนี่คือใครอ่กุศลบาอุเบขาสันติรณะนะเวทนาอะไรเนี่ยอุเบขาเวทนาทวิเหตุตุกบุคคลนี่ได้ปฏิสนธิเท่าไหร่ทวิเหตุตุกบุคคลได้ปฏิสนธิสี่ 4? คือมหาวิบาก มหายบากญาณวิปยุตจิตสนะมหายบากญา น, นวิปยุตจิตสี่ได้เวทนาเท่าไหร่สอมนัสเวทนาสองดวงและอุวเบขาเวทนาสองดวงนะแล้วก็ติเหตุกับปุถุชนเนี่ยที่ปฏิสนธิในการมาสุกติภูมิเจ็ดเนี่ยนะก็มหายบากญา น, นสัมปยุตจิตสีนะได้เวทนาสองคือเบขาเวทนาและก็สมมนัสเวทนาถ้าในรูปภูมิก็มีปฏิสนธิห้า คือรูปาวาจะระวิปากษ์ใช่ไหมก็มีสมนัตกับอุเบกขาเหมือนกันถ้านในารูปภูมิล่ะก็มีปฏิสัณฑ์ที่สี่คืออารมวิบากสี่ก็มีเวทนาอย่างเดียวคื อ, อเบกขาเวทนาใช่ไหมทีนี้ถ้าผลบุคคลล่ะมักขบุคคลผ ล, ลที่จริงถ้ากล่าวแค่ผลนี่ยนะเช่นว่าในการมาสุขติภูมิเจ็ดในรูปภูมิสิบห้าแล้วก็ในอารมภูมิสี่เนี่ย ทุคติอหิตกบุคคลนี่เขาตั้งตามภูมิแล้วก็ตั้งตามปฏิสนธินี่ส่วนสุคติเหตุกบุคคลก็คือตั้งตามภูมิแล้วก็ตั้งตามตัวปฏิสนธิของเขาทวีเหตุตกบุคคลล่ะตั้งตามปฏิสนธิไม่ได้ตั้งตามภูมิใช่ไหมติเหตุกบุญชนก็ตั้งตามปฏิสนธิส่วนมากขบุคคลนี่ตั้งตามคุณธรรมไม่มีปฏิสนธิมากขบุคคลนี่ไม่มีส่วนผลบุคคลนี่ตั้งตามคุณธรรมแต่ก็ต้อง มีปฏิสนธิด้วยผลบุคคลเนี่ยชนะผลบุคคลเนี่ยต้องนับตัวปฏิสนธิด้วยเออให้ให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของเวทนากับมูลผวังเดิมนั้นเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจว่าไอ้ที่มีอาคารตุกับวังเนี่ยนี่นะเกี่ยวกันในเรื่องการศึกษาในเรื่องของจิตที่มีอาคารตุกับวังเนี่ยนะในดูวิถีที่สามนี่เลยเออโดยหลักกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยคือว่าโดยปกติคือว่า เมื่อโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องมีเวทนาที่ไม่ขัดกันเช่นเวทนาของมูลผวังเดิมเนี่ยถ้าจะลงได้เนี่ยจะต้องไม่ขัดกันยกตัวอย่างเช่นวิถีเมื่อสักเมือ่อวิถีประเภทที่สองนในวิถีที่สองเนี่ยให้สังเกตดูทีว่าในวิถีเนี่ยเป็นโทสะชาวนะเป็นโทมนาสเวทนาแต่ถ้าลงอุเบขาวเวทนาเขาเรียวกว่าเวทนาไม่ขัดนี่เวทนาไม่ขัดเพราะโทสะ ที่เป็นโทมนาสเวทนาเนี่ยนะตทารรมนะหรือพวังและถ้ามีอุเบกขาเวทนาอย่างนี้ไม่ขัดแต่ถ้าหากว่าเชานะเป็นโทสะตทารรมนะหรือผวังน่ยมีสมมีโสมนาสเวทนาเกิดต่ออย่างนี้เขาเรียกเวทนาขัดมันขัดกันต้องมีอาคานดูกับผวังมาเกิดแทนแตทารรมนะหรือเกิดแทนผวัง ย้ำนะต้องมีตทารรมนะไอ้อต้องมีไอ้ตถารรมนันั้นจะต้องมีอาคารตุกัดผวังเนืมาเกิดแทนตทารรมนะหรือเกิดแทนผวังนั้นทีนี้การมาชาวนะยีสบเจ็เว้นโทสะสองตถารรมนะหรือผวังไม่ไม่จำกัดเวทนาอย่างนั้นไม่ขัดกันเลยนะืสมมุติถ้าใส่อย่างนี้ถ้าใส่กามาชาวนะ27เว้นโทสะสองเนี่ยใส่ไปเถอะตทารรมนะหรือใส่อะไรเนี่ยเวทนาอะไรก็ได้ถือว่าไม่ขัดกันอยู่แล้ว เพราะตัวชาวนาก็เวทนาหลากหลายอยู่แล้วใช่ไหมมีทั้งโสมนัสมีทั้งโทมนัสมีเออมีทั้งมีทั้งโสมนัสมีทั้งเวขาเวทนาทีนี้ผะวังนะั้นนะี่ยนะผนะนะวังเนะี่ยท่านแยกออกเป็นสองประเภทเขาเรียกมูลผวังเขาแปลว่าผะวังเดิมไอ้มูลผวังเนี่ยเนะาะรู้ได้ไงว่าเป็นมูลผวังหมายถึงผะวังที่สืบต่อมาจากปฏิสนธิคืออะไรนะจุฬโตบอกปฏิสนธิผวังจุติใช่ไหม ฉะนั้นถ้ามีปฏิสนธิแล้วก็มีผวังแล้วต่อไปก็ไปเป็นจุติยเงี้ยซึ่งก็เป็นเป็นจิตที่พวกเราใช้มาบ่อยที่สุดในอดีตก็ใช้มาแล้วปฏิสนธิผวังแล้วก็จุติปฏิสนธิผวางังจุติแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปจุติปฏิสนธิผวางังจุติกันอยู่อย่างเงี้ย น, นีย่ออกไม่ได้ก็เรียกออกจากผวังไม่ได้ออกจากจุติก็ไม่ได้ออกจากปฏิสนธิก็ไม่ได้คิดไปคิดมาเขาบอเพลินดีเหมือนกันเพลินนี่ี้บวัว เพนดีไหมเกิดแล้วตายตายเกิดแล้วรักษาพพรักษาพพแล้วก็ตายเกิดแล้วรักษาพพรักษาพพแล้วก็ตายตรงนี้มูลผวังเนี่ยไอผวังเดิมเนี่ยว่าโดยสัจจาเขาเป็นสัจจาอะไรเป็นสัจจาอะไรเป็นทุกขสมุทัยหรือโรดหรือมรรเป็นทุกขสัจจาเมื่อเป็นทุกขสัจจาควรทํำยังไงควรรอบรู้ควรควรกำหนดรู้ในที่นั้นเป็นชื่อของปริญเยยกปริญญากิจปริญญยียกิต เป็นกิจที่ควรกําหนดรู้หรือควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ควรรอบรู้อย่างไรถึงจะเรียกว่ากําหนดรู้ผวังอรู้ยังไงอควรกําหนดรู้ยังไงอะเอเอาถามอีกนิดแต่ว่าผวังนี่กําหนดโดยความเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัปนาเป็นต้นได้ไหมมูลผวังเนี่ยได้หรือไม่ได้กําหนดยังไงเอได้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นในจุดอย่างนี้ วิธีวิธีกําหนดท่านสอนกําหนดอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้ายาตาปริญญากําหนดรู้ตัวผวังแล้วก็เหตุเกิดของผวังใช่ไหมผวังมีเป็นวิญญาณขันเนะเป็นวิบากเนะเป็นวิปากวิญญาณเนะเมื่อเป็นวิปากวิญญาณเป็นตัววิบากแล้วรู้เหตุเกิดเพราะอะไรเกิดผวังยังเกิดใช่ไหมเพราะวิชาเกิดเนี่ยผวังเกิดใช่ไหมอ่ะเพราะ เพราะพ่อวิชาเกิดพวังเกิดเพราะตัณหาเกิดพวังเกิดเพราะกรรมเกิดพวังจึงเกิดเพราะนามรูปเกิดพวังจึงเกิดเออพาะสังขารเกิดนะน้ำไอไอพวังนี้จึงเกิดแล้วก็เพราะอาการเกิดขึ้นกันของของพวังนั้นนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปพวังและเหตุเกิดของพวังเป็นอย่างดีนี่เป็นยาตาปริญญาเนะถามว่าพวังที่ได้มาเนี้ยมาจากกรรมในอดีตใช่ไหม มาจากตัณหาในอดีตมาจากอาวิชชาในอดีตมาจากกรรมในอดีตเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มาจากการอุบัติเกิดขึ้นไม่มีปฏิสนธิมาเป็นต้นเนี่ยจึงมีผวังหรือมีผวังก่อนๆ น, นะนั้นจึงมีผวังปัจจุบันลักษณะอย่างนี้ถามถ้าจะดับผวังละ่ะเพราะอะไรดับผวังยังดับตัณหาอวิชชาดับผวังจะดับไหมในานาเขาจะดับไหมถ้าอาวิชชาหมดแล้วยังจะมีผวังต่อไปไหมไม่มีแล้ว ตั้หาหมดแต่แล้วผวังก็ไม่มีถ้ากรรมดับคือไม่ต้องสร้างกรรมใหม่แล้วเนี่ยเออยังผ้าละหันเนี่ยกรรมท่านดับไหมดับเป็นไหมหรือเพราะการดับของผวังอาการที่เป็นวิปริณามะคือการดับไปนยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นเหตุเกิดและความดับของผวังเนี่ยอันนี้เป็นยาตับปริญญานะเออเออลักษณะลักษณะนี้เป็นไปพิจารณาแต่ถามถ้ารู้เหตุ ป, ปัจจัยของเขาเนี่เป็นญาตัปริญญา ถ้าถามว่าผวังเที่ยงไหมเจ๊ะไหมเที่ยงที่ไหนแลว้วผวางเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดลองคิดดูที่พบการเป็นมนุษย์ก็ไม่เที่ยงเป็นใครก็ไม่เที่ยงลักษณะนี้เขาเรียกกําหนดลักษณะนี้เขาเรียกกาหนดผวังโดยความเป็นตีรณปริญญาถามว่าละได้ไหมละฉันทราค้าคือความยินดีพอใจที่จะไปได้ผวังเนี่ยบอกไม่เอาและววังบางคลยังปราดถนัดผวังประเภทไหนอุ้ยได้อย่างเราต้องติเหตุกการปรติสนทีนะเจ๊ะไหม อย่างนี้เราปรารถนาผวังก็คือปรารถนาพบปรารถนาขันคือคือทละได้ละได้ขณะหนึ่งหนึ่งเป็นแต่ทางข้าประหารละโดยการข่มเข้าไว้ยกตัวยอย่างเช่นไปได้ฌานแล้วไปเกิดเป็นพรมเนี่ยเราก็ขม่มกามือผวังสิบได้ไปเกิดเป็นอรูปภ พ, พมแล้วก็ขม่มรูปผวังห้าการมืวังสิบได้หรือไปได้ผวังสูงสูงขึ้นไปจนถึงเนวสัญญาณนะสัญญายาตนาวิบาก ไปได้ดวงนั้นนอกนั้นก็คมพระวังอย่างอื่นได้หมดเลยแต่แน่แม่นี่ใช่ไหมต้องล้าเด็ดขาดบอกไม่เอาแล้วลักษณะอย่างนี้เห็นไหมว่าจริ ง, รงๆกําหนดโดยความเป็นทุกษ์สัตย์นแล้วก็ลาตันหาคือความยินดีพอใจที่จะไปปรารถนาพราะวงังนี่เป็นละสมุทยัยสัจจะธรรมนิโรธให้แจง้งไอตัวที่เข้าไปกําหนดรู้ตัวเข้าที่ไปพยายามในการกําหนดตัวที่เข้าไปพิจารณาเห็นนะ อันนั้นเป็นมัคคสั์โดยสรุปแล้วได้นะถ้าใครถามว่าพาวังนี่กาหนดได้ไหมบอกได้มีในสูตรไหมบอกมีพวังเป็นตัวถูกรู้สามารถเอามาเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติได้เอาเพาวังมากําหนดอะไรเพราะ พ, าะพาะวังเขาก็มีกรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ m, หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้มูลพวังเดิมที่พูดนี่นะตัวมูลและพะวังเดิมเนี่ยนะจะต้องเป็นอย่างเดียวกันก็แปลว่าอะไร ปฏิสันทีพระวังแล้วก็จุติเนี่ยไม่ใช่มาเปลี่ยนนะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าปฏิสันทีมหาวิบากดวงสุดท้ายสมมุติสมมุติมาเอ๊ะบอกไม่ดีดวงนี้เป็นอุเบกขาเป็นญาณวิปยุทธพอตอนพระวังตอนนี้บอกเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าทําไงก็เปลี่ยนไม่ได้อย่างนี้ต้องถือว่าเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เท่านั้นจะต้องเปลี่ยนพบถ้าเปลี่ยนพบก็เปลี่ยนพวังได้แต่ยังไม่อยากเปลี่ยนก็ ตามหลายคนบอกก็อยากเปลี่ยนประวงังไม่ไหวแล้ยังไม่หยา่างตามทํำไมโอ้ยประวังดวงนี้รู้สึกมันคิดอะไรไม่ค่อยเร็วไงเนี่ยเอาประวังดวงใหม่ด้วยแย่กว่าเดิมยุ่งเลยเดือนี่ยเช้าไปดูทังยัขงของ่ขอมเขาเอาเขาลิงเวลาวตั้งไปช็อกันบอกแม่คนก็ไปดูกันใหญ่คนเขาก็ชอบเลยลองคิดดูไอ้ที่จิตชอบเนี่ยนะต้องทิ้นไปวางปฏิสันที่แล้วเนี่ยวางปฏิสันที่ไว้ ไม่ได้กําหนดรู้เลยบอกโอโหชอบมากเออทําไมแสนรู้ขนาดนี้ดีจังนะวะเงนินชอบดูเลยยโอโหคือมนุษย์นี่วางสิครับแค่อย่างนี้ลองคิดดูว่าถ้าใกล้ตายอารมณ์ที่เคยชอบมีโอกาสพุด ท, ทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> ถามว่า <c oughs> ในขณะที่ชอบนั้นน่ะชอบด้วยจิตอะไรถ้าชอบด้วยจิตหรือโลภะก็คืออารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่น่ายินดี ใช่ไหมมันก็เป็นกรรมในขณะที่เราทําแล้วทีนี้ในขณะที่ยินดีพอใจเนี่ยแต่ว่าอารมณ์เหล่านี้แปลว่าผ่านมาแล้วเมื่อผ่านมาแล้วทําไมเรากลับไปคิดอะไรแล้วก็ประทับใจเลยคนเราเวลาจะตายเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ลือ ม, มาผุดมาเกิดฉะนั้นถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านี้มาผุดเกิดเนี่ยเราก็อยู่ป่วนเปียนใกล้ๆเขาตรงนี้ท่านสอนให้กับด้วยให้รอบรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์สัตว์นะ ทุกขสัตว์นั้นต้องรู้อะไรต้องรู้จักลิงตัวนั้นแล้วก็เหตุเกิดของเขาเป็นอย่างดีต้องรู้จักว่าปัจจัยของเขาที่มาเกิดเนี่ยเป็นยังไงการรู้อย่างนี้อฉะนั้นถ้าพระอรหันต์ยิ้มหรือบุคคลที่เขาเจริญวิปัสนาเนี่ยถ้าเห็นอย่างนั้นเน่ยเขาจะสลดสังเวชใจสักเพียงใดว่าเออข้าพเจ้ายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นนะเพราะเรามีโอกาสเหลือเกินที่จะเป็นเช่นนั้น ก็เหมือนกับว่ า, ว า, วามีผู้หญิงสวยๆเดินมาแล้วยิ้มใช่ไหมพระท่านกําหนดรู้ก็เห็นเป็นอัติกะเป็นกระดูกทั้งล่างเลยแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นที่สุดจริงๆก็ตั้งปฐมฌานเป็นอารมณ์เลยเป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาและท่านได้บรรลุได้ด้วยการเห็นหญิงคนนั้นยิ้มเดินผ่านไปถ้าอย่างเราอ่ะกำหนดตรงไงคือเห็นกระดูกไงเห็นกระดูกปุ๊บแล้วเนี่ยกระดูกก็เลยปรากฏทั้งล่างเลย เพราะท่านจเจริญอัตถิกะกรรมฐานเป็นอย่างดีมาแล้วแปลว่าข้อมูลท่านฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วย่างเรามันบางทีไอ้อัตถิยังมังไม่เคยกําหนดเลยอ่ะเราบอกเฮ้ยทาได้ยังไงใช่ไหมเราจะบอกเฮ้ยคนคนนั้นทําได้ยังไงเนี่ยแต่ที่ไหนได้เราไม่รู้ว่าจริงๆที่ท่านกว่าที่ท่านจะกําหนดได้นั้นเน่ยโอ้โหท่านเพียรมาขนาดหนักเลยเนะฉะนั้นอย่าง วิพิตรมนุษยการของพวกเราเนี่ยอย่าแปลกอย่าแปลกใจที่เห็นอะไรก็จะวิลิตไปอีกอารม์หนึ่งที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยแก่โลภะเพราะที่ในกลุ่มคนที่เขาปรารถนาอย่าพ้นอยา ก, กองทุกข์จริงๆนะเขาจะเขาจะตรวจสอบทุกอารมณ์แล้วก็ฝึกฝนในอารมณ์เหล่านี้เป็นอย่างดีฝึกฝนเป็นอย่างดีแต่อย่างเรากลุ่มที่พวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกฝนเป็นอย่างดีก็เพืนะ่อเพื่อน่ะฉะนั้นการที่เพื่อเพืนบางคนเป็นคิดอย่างนี้นะ คิดอกว่าเราก็ปฏิบัติอย่างอื่นดีอยู่แต่เราไม่สํารวมระวังพวกนี้ก็ได้เล่นบางอะไรบ้างก็เป็นปกติแต่ที่ไหนได้มันติดเน่ยอารมณ์เหล่าเนี้ยมันผูกวนแหละมอออไม่ทีว่าอารมณ์เหล่าเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยแก่จิตทําให้จิตว้าวุ่นหมดแหละนี่เป็นยังไงบางคนบอกโอ้ยจะคิดอย่างนั้นก็เครียดเลยแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวทีบังวงั้นคือพยายามอย่างนี้ก็ลําดับแรกจริงๆก็คือว่าทําเอาอารมณ์ทุกอารมณ์มาทําบริญญาให้หมด คนคนั้นก็จะเริ่มฉลาดมากขึ้นเห็นอารมณ์อะไรก็ฝึกเอาอารมณ์นั้นมาทําปริญญามาฝึกในการกําหนดรู้เป็นทุกขสัตว์ให้ให้ถูกทํายาตาปริญญาตีระนปริญญาแล้วก็ประหาหนะปริญญามันตรึกละละความยินดีพอใจในสิ่งนั้นให้ได้ทําให้ให้ได้ทุกๆอารมณ์แล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ไม่ติดข้องในอารมณ์จนเกินไปต้องฝึกจริงๆนะถ้าไม่ฝึกเนยยุ่งเละเพราะอารมณ์ทุกอารมณ์นี่อาสาธาเนี่ยรุนแรงมาก ใช่ไหมมันเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างสมมุติว่าเพศตรงข้ามเนี่ยทั้งหญิงหรือชายชายต่อหญิงเนี่ยถามว่าเออเวลาเราจะฝึกเอามาทําปริญญาในในในในอย่างนั้นเราจะฝึกยังไงเพราะมันจริงๆมันต้องเห็นอยู่แล้วที่จริงที่จริงเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาสุภาแต่ถ้าจริงๆถ้ากําหนดโดยทุกขสัตย์หรือเขาไม่ได้ห้ามลองกําหนดลงกรรมดีครับมันจะชัดลำดับแรกนะ ไอ้คำว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นแดนเกิดทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นลองสาธยายบ่อยๆดูทีลองนึกถึงคนนั้นก็เอากรรมไปจับดูทีเนี่ยเห็นใครเนี่ยลองกำหนดลงสู่กรรมดิแล้วก็จะเริ่มอันนี้ไหมลำดับแรกคือทำกรรมมศกตาสัมมาทิฐิให้เกิดก่อนแล้วต่อมาจึงไปกำหนดโดยความเป็นทุกข์สัตว์เห็นไม่ชีวิตของเขากว่าจะเล่ร่อนมาลองคิดดูคนบางคนฉลาดมากในปัจจุบัน แต่ได้เงื่อนไขปัจจัยความประมาทมัวเมาบางอย่างนี่เขาตายปุ๊บไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคิดดือความฉลาดเขาก็มีอยู่แต่เชื่อไหมเขาไปเลยตามกระแสกรรม mm. ก็าน่ากลัวนาอย่างิงเนี่ยสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไหมโอยเป็นผู้หญิงงามที่สุดสวยที่สุดเนี่ยฉลาดที่สุดเนี่ยแต่ต่อมาก็ทํากรรมชั่วอา้าวด้วยกรรมชั่วนั้นส่งผลให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอา่ะถ้าไปเป็นไอ ลิงถ้าไปเป็นเพศเมียขึ้นมาโอ้โหโดนทารุณกรรมจากเพศผู้เนเงื่อนไขของลิงเนี่ยก็โดนกระทาหรือไปเกิดเป็นสุนัขเพศเมียขึ้นมาอย่างงี้ก็โดนเนนั่นน่ยจากฉลาดที่สุดเนี่ยเนีฉะนั้นอย่าแปลกใจบางทีเนี่ยพระเจ้าเห็นสเดาชาญยิ้มมันนี่เศรษฐีใหญ่เนะเห็นไหมนีม่โตทยะเศรษฐีเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วยิ้มเลยแย้มเลย นาแย้มปุ๊บมันแย้มไปข้างหน้าเนี่ยไอ้ละจมีออกมาวนบนทิศาของพระองค์พระนนตามมาข้างหลังนี่ทะรู้ ด, ดีเลยพระพุทธองค์แย้มถามเหตุเลยว่าแย้มโดยเหตุอันใดบอกเห็นไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วลองคิดดูเดวัตตาใช่ไหมจากเด่นจากสูงที่สุดนะ่ะพอมานะ้จาจัด ก, ก็ล้มต่ําที่สุดแล้วกว่าจะหลุดรอดจากจากภาวะ ถ, ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะบอกแล้วแล้วมันก็มาตรึกถึงตนเองแล้วเรา เราก็ยังไม่พ้นตรงนั้นนะดิจะต้องถูกกระแสกรรมนี่ซัดไปเนี่ยโอเป็นไปตามกระแสกรรมจริงๆนะชีวิตพอพิจารณาอย่างนี้ก็จะเริ่มเริ่มเย็นมองเห็นใช่ไหมตรงเนี้ยอย่างนี้ชัดงั้นเวลาเราดูผวังเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอก น, นั่นเองมูลว่าผวังนี่แหละองค์ธรรมของผวังก็คืออุเบกขาสองมหายบาศ8มหาคตาวิบาก9รวม19ที่ทาหน้าที่ภวังคือรักษาภพ คำว่ารักษาภพเนี่ยใครว่าชัดไหมก็แปลว่าในภพหนึ่งหนึ่งนะั้นนะ่ะกระแสพวังใช่ไหมเมื่อวานนี้พูดว่าไงนะครับว่ากระแสกระแสเนี่ยจําได้ไหมกระแสพวังเหมือน ก, นกันกับกระแสน้ําก็แปลว่ามันไหลอ ย, อยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ขาดทําไมไม่ขาดดูเหมือนขาดตอนขึ้นวิถีแต่สักพักก็ลงสู่กระแสพวังอีกแคม่มันมันรักษาภพของมันเลยเนี่ก็เลยกระแสพวัง ไหลยอย่างกระกระแสนะ้ำไหลพบนี้แล้วก็ไปไหลพบหน้าต่อไปเรื่อยๆในอดีตกระแสผวังนี้ก็ไม่เคยขาดไม่เคยขาดถาวรเลยเหมือนนเล ย, ยเพียงแต่ขึ้นรับอารมณ์ทางตาบ้างทางทวารหนูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจแล้วก็ลงทุกทวารจะต้องลงสู่กระแสผวังไหลไม่ขาดสาอยู่เช่นเนี้ยเนี่ยคือโทษของการมีผวังใช่ไหมโทษของการมีผวังเป็นเช่นนี้ แต่ถามว่าใครจะเห็นว่ากระแสพะวังเนี่ยมันเป็นโทษมันเป็นเรื่องน่ากลัวมันเป็นเรื่องน่าเบื่อนายมันเป็นเรื่องน่าจะคลายกำหนัดควรจะดับได้แล้วเนี่ยมันไม่มีเพราะเราไม่เคยทำปริญญาไม่เคยคิดอะไรต่างๆใช่ไหมก็เลยไม่คิดว่าโอ้โหพวังนี่น่ากลัวมากกระแสพะวังเนี่ยเช่นถ้ามันจะต้องไปไหลเป็นพญานาคเนี่ยสักห้าร้อยหร้อชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ยุ่ยาวๆ ย, ยืนยืเนี่ย หรือไปไหลในอเวจีเี้โอ้โหใช่ไหมต้องคิดดูที่กระแสผวังนี่มันจะต้องไปไหลไงั้นนะบางคนบอกว่าผวังในนั้นลงไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมากขึ้นดวงนั้นมันร้อนไฟพุ่งมาต้องเป็นแปดเทอดอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไฟอย่างร้อนๆเลยบางคนไปอ่านแต่จริงๆมันก็จะต้องไปไหลต้องคิดดูที่สามสิบพื้นผวางนี่ต้องไปไหลอย่างนี้เขาเรียกกระแสผวังในสิบเก้าดวงนี่แหละ อุเบกขาสองมหายบาแปดแล้วก็มหาคตะวิบาเก้าเนี่ยสภาพของผวังนี่มันกระแสมันไหลตลอดใช่ไหมเขาเรียกไหลไปในฐานะเป็นผวังไหลไปในฐานะเป็นผวังขกิจทำกิจในการรักษาภ พ, พแล้วก็ไหลไปในฐานะเป็นแล้วก็ไปในฐานะเป็นผวังคาถาใช่ไหมเป็นผวังคาถาเขาเรียกตกไปในอะไรนะผวังคปาตานี่ตกไปในฐานะเป็นในเป็นผวัง ตกไปในฐานะโดยการโดยผวังคานแล้วก็ตกไปในฐานะที่รับอารมณ์เกี่ยวเรื่องของกรรมมาอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ของผวังนั้นๆไปเนี่ยเขาเขาไหลเขาตกไปอย่างเงี้ยตกไปในฐานะเป็นผวังตกไปในฐานะเป็นผวังคานตกไปในฐานะเป็นผวังฆ่าอารมณ์คือการรับอารมณ์นั่นแหละตามประมาเนี่ยคือดูอาคารดูกับผวังคำว่าอาการดูกับผวังเนี่ยนะ เขาแปลว่าอะไรเนี่ยเขาแปลว่าผวังจรมาใหม่อาคารถุกกรผวางนี่นะไม่ใช่เป็นผวังที่สืบเนื่องมาจากปฏิสนธินะให้เข้าใจตรงนี้นะอย่าไปบอกว่าผวังสืบเนื่องมาจากปฏิสนธิผวังนั้นไม่ได้สืบเนื่องมาจากปฏิสนธิมองเห็นอย่างเดี๋นี้อาคารถูกการผวางไม่ได้สืบเนื่องกันมาเลยองทรรมได้แก่เวขาสองแล้วก็หมายบากแปดรวมหกดวงเนี่ย ทีนี้จิตหกดวงนี้ไม่ใช่จิตประจำภพหรือไม่ได้ทาหน้าที่รักษาภพโดยตรงไม่ได้ไม่ได้เป็นจิตประจำภพไม่ได้จิต ท, ที่ทำหน้าที่รักษาภพโดยตรงแต่ก็ไม่ใช่วิถีจิตไม่ใช่วิถีจิตฮะหกดวงหกดวงหกผวังมูลผวัง<ม>เรื่องเรื่องอาคารดุกะผวังต้องมีหกม่าใส่ห้าใส่หกนี่คือมาจัดกันมาจัดแยก ตามประเภทวิถีเพื่อจะแยกให้รู้ความต่างของวิงถีออยังเถียงกันเยอะจนทุกวันนีเอาห้าหทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของคําบอกว่าถ้าบอกว่าไม่ได้ทําหน้าที่รักษาพบโดยตรงแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิถีจิตนะเมื่อไม่เป็นวิถีจิตเป็นอะไรคงเป็นวิถีมุตต จ, จิตใช้คําว่าคงเป็นนะทีนี้ว่าเมื่อว่าโดยอารมณ์แล้วเนี่ยจิตดวงนี้รับอารมณ์ไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่ประจํำพบนะ คือไม่ใช่เป็นกรร ม, มาอารมณ์กรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์แต่ก็ไม่ใช่อารมณ์นั้นใหม่นะท่านใช้คําอธิบายอย่างนี้จริงๆควรจะเรียกว่ารับอารมณ์กลางเก่ากลางใหม่ได้ไม่ใช่อารมณ์นั้นใหม่นะอารมณ์นี้ก็ได้แก่กรร ม, มาอารมณ์หกนั่นเองที่ชํานาญมาแล้วในพบนี้ท่านบอกอธิบายไว้แค่ไหนในหลักสูตรบอกมีการไหว้พระเจดียด์เป็นต้นไหว้พระเป็นต้นและองค์ธรรมของเขาอ่ะ อารมณ์ของเขาก็ได้แก่กรารมาจิตห้าสี 4, ่เจสิกห้าสองรูปยี 8, นะ่แปดนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรารมาวังองธรรมต้องเป็นเลยนะลองเห็นไหมมูนผวังและอาคารตุกัดผวังนะั้นนะ่ะถ้าดูในวิถีเรื่มเก่าอาคารตุกัดวังมีอารมณ์ประจําตัวเองโดยเฉพาะไม่รับอารมณ์ต่อจากชาวนานะและอาคารตุกัดวังก็เกิดต่อเฉพาะวิถีจิตที่เป็นโทสาชาวนาเท่านั้นและอาคารตุกัดวังในเวลาเกิดในเกิดในโสมนัสปฏิสนธิบุคคลสี่ คือทวีเหตุตุกคบุคคลหนึ่งติเหตุกคบุตรชนหนึ่งโสดาบันบุคคลหนึ่งแล้วก็สกะทาคามีบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาคารตุกคาพระวังนี้จะไม่เกิดกับทุกคติสุคติแล้วก็ทวีเหตุกคบุคคลไม่เกิดกับพระอนาคาและกับพระนี่นะอาคารตุกคาพระวังเนี่ยอาการตุกคารพระวังก็จะเกิดเฉพาะในการมาสุคติภูมิเจ็ดเท่านั้นในมนุษย์หนึ่งแล้วก็สวรรค์หอาการตุกคาพระวังนี้มาทําหน้าที่แทนอะไรแทนตถาธรมนะ หรือเป็นมูลผวังหรือมูลภวังอ่ะแล้วแต่อะไรแล้วแต่วิถีถ้าในอติมหันตารมณ์วิถีหรือในอติวิภูตารม์วิถีเนี่ยอาคารตุกขาผวางไปทําหน้าที่แทนอะไรแทนอะไรอ่ะแทนตถารมนะในกรณีที่ต้องสามเหตุนะหนกามปฏิสทธิบุคคล4 2. อ, อารมณ์นั้นเป็นอติถารมสามชาวนะเป็นโทสะ4อาคารตุกขาผวางเกิดแทน แทนอะไรแทนแต่ธารมนะต้องสี่แบบนี้อย่างนี้รุ่นที่ว่าเขามาแทนแต่ธารมนะถ้านาติมารมดารมวิถีหรืออติภูตาลมวิถีเนี่ยจะต้องว่าใช่ไหมว่าในกรณีที่เขาเกิดแทนแต่ธาลัมนะนนก็คือว่ากา ม, มาปฏิสนธิบุคคลสี่แล้วก็อารมณ์ที่เกิดในวิถีนั้นจะต้องเป็นอติธารมชวนาต้องเป็นโทษจัอาันรตุกกาพวังก็จะมาเกิดแทนทันที มาแทน ต, ตารมนะถ้าในมหันตารมิิวิภูตารมวิถีหรือวิภูตารมิถิเนี่ยเอาอาคารดุกับผวังจะมาเกิดแทนกันถ้าในวิ ม, มวหันตารมวิถีหรือวิภูตารมิถิเนี่ยอาคารดุกัดผวังจะมาเกิดแทนแทนมูลผวังเดิมใช่ไหมมูลผวังถ้าเกิดแทนมูลผวังเดิมก็การมาปฏิสนธิบุคคลซีรับอารมณ์ทั้ 4, ทงสามชนิดเลยใช่ไม อารมณ์เป็นอติอิถาก็ได้อิฐามัชะตะก็ได้หรืออ น, นิธารมก็ได้แล้วเกิดโทสนะเชลิมอาคันตุกะผวังก็มาแทนมาแทนอะไรนะแทนมูลผวังเดิม<อ>นี่เป็นในลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าศึกษากันต่อนีพอดีเปิดในขุตกานิกายปฏิสัมพิามรักในขุตกานิกายปฏิสัมพิามรักในท่านตรัสพระพุทธจเจ้าตรัสไว้บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย องค์แห่งการที่จะบรรลุโสดาบันนี่ยมีอยู่สีอย่างก็หมายความว่าถ้าใครตั้งอัธยาศัยในการที่จะปรารถนาจะเป็นพระโสดาบันนยพระพุทธเจ้าตรัสองค์คุณของการที่จะเป็นพระโสดาบันไว้สอย่างเอาทำไมถึงตรัสพระสูตรโดยในตรัสคําสอนในทีคณิกายมหาวักเนี่ ย, ยก็ตรัสไว้เหมือนกันเออไม่ใช่ทีคณิกายปฏิกวรคือเกี่ยวกันในเรื่องตรงนี้เนี่ย ท่านบอกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่ากับการได้เป็นพระโสดาบันเลยแล้วท่านก็ยกตัวอย่างนะในหลายคัมภีร์หลายสูตรบอกพ ร, พระเจ้ามันทาตุราชเนี่ยในมหาสติปทานสูตรก็มีในขุทกานิกายรทมบทก็มีใช่ไหมพระเจ้ามันทาตุราชเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยแต่การที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ สามารถสารมารที่จะปกครองทวีปทั้ง4ชมพูทวีปอุตรลกุรุทวีปปุบผวิเทหะทวีปแล้วก็อ布拉โคยานาทวีปแค่นั้นไม่เพียงพอใช่ไหมก็เลยถามบอกว่ามีที่มันประเสริฐคนนี้ไหมปริญายกแก้วก็บอกว่าในจาตุ ม, มหาราชก็ขึ้นไปปกครองจาตุมอีกครองใบครองมาก็ไม่พอใจที่สุดจริงๆก็ถามปริญายกแก้วปริญายกแก้วก็บอกอยังมีที่สวรรค์ชั้นดาวดึง พอไปส่งจากแก้วไปที่ดาวดึงเท้าสกะทราบข่าวก็คอยต้อนรับเท้าสกะพอไปถึงเท้าสกาก็แบ่งเมืองให้ครึง่งเยอะแบ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ครึง่งที่สุดจริงๆพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยก็เลยปกครองเข้าไปนั่งในอาสนะของเท้าสกะประทับนั่งร่างกายของตัเองก็เปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทวดา แต่ก็จะมีจุดต่างกันอยู่ตรงที่มีการกระพริบพระเนตรกระพริบตาอยู่ใบอ่อยความต่างจากเทวดาซึ่งเทวดาไม่กระพริบถามว่าอยู่นานไหมนานมากตอนนั้นอายุเป็นอสงไขยนะ์ยุคนั้นเป็นอสงไขยนะ์มากกว่าเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นดาวดึงโดยเฉพาะเท้าสกาเนะี่ยเจตีไปแล้ว36องค์แต่พระเจ้ามันทาตุราเนะี่ยยังไม่ตายเลยปกครองอยู่งนั้นไม่เบื่อเลยะไม่เบื่อแล้วยังไม่พอนะียยังบอกบอกว่า อถ้าเราฆ่าเท้าส ก, กัดได้เราก็ปกครองทั้งหมดก็เลยจิตคิดประทุสลายเกิดโทสะขึ้นมาบอกว่าเราจะต้องฆ่าเท้าส ก, กัดพอโทสะเกิดขึ้นมาที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยตนเองนั้ น, นสวรรคตแต่ต้องร่วงหล่นลงมาใช่ไหมล่วงหล่นลงมาและในที่สุดจริงๆก็ตายแล้วก็ ชาวอุตตรากุรุทวีปเป็นต้นที่มาอยู่ในชมพูทวีปก็เลยกลับบ้านกลับเมืองไม่ได้จนทุกวันจนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องแสดงสติปัฏฐานสูตรโปรดชาวอุตราชาวกุรุรัตแฟนกุรุรัตนั่นอเองไอ้ตรงนี้ถ้ามาพิจารณาดูเนี่ยท่านถึงบอกว่าหลังจากนั้นแหะพระเจ้ามันทาตุราชไปเกิดเป็นอะไรบอกไปเป็นสัตว์ดิลฉานก็มีลงอบายภูมิก็มีท่านถึงบอกว่าจักรพัฒน์เนี่ย สมบัติเนี่ยยังไม่ประเสริฐถ้าเป็นพระโสดาบั น, นจะปิดได้ใช่ไหมท่านก็บอกว่าองคคุณของการเป็นพระโสดาบันนะสัปปุริสังเสวหะการคบหาสัตว์บุรุษคบหาใครคบหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมเข้าไปนั่งใกล้การจะคบหาสัตว์บุรุษเนี่ยคือยังไงประการต่อมาก็คือสัตยธรรมะสวันะคือการฟังพระธรรมพระธรรมนั้นต้องเป็นพระสัตธรรมนะพระสัตธรรมต้องอะไร ฟังเกี่ยวในเรื่องของมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งแล้วก็ต้องศึกษาปริยัติคือคำสอนของพุทธเจ้าในส่วนของศีลสมาธิปัญญาในส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแล้วก็การทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย น, นี้เป็นชื่อของโยนิสโสมนสิการใช่ไหมเป็นชื่อของโยนิส โ, โนสโมนสิกานี้ที่เราพูดกันบ่อยที่สุดก็คือ ชวนะปฏิปาธกะมนัสิกาน์มนัสิการที่ทําให้ชวนะเป็นไปและต้องเป็นโยนิโสมนัสิการนะอย่าเป็นอโยนิโสมนัสิการเพราะอะไรเพราะโยนิโสมนัสิกานีเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นต้นให้สังเกตดูออว่าสติปัฐานสี่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนัสิการหรือโพชฌงเจ็ดอริยมรยงแปดใน ไ, ไหม ให้สังเกตดูดิคุณธรรมต่างๆเหล่านี้จะต้องอาศัยโยนิโสมนัสิการนะแต่ถ้าอายโยนิโสมนัสิการแล้วจะเป็นปัจัยเกิดนิวรธรรมมีการมาชันทะคือความรักความไข่เป็นต้นเนี่ยความหึงหวงเนี่ยอันนี้คืออยโยนิโสมนัสิกานนะอย่าลืมนะหรือว่าโทสะหรือว่าถีนมิทะหรืออุทธจักกรุ่มเหล่านี้พวกนิวรธรรมทั้งหลายพวกอกุสุธรรมอลามกทั้งหลายนี่ล้วนแต่เกิดจาก อยโยนิโสมนสิการและประการต่อมาคือธำมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โสดาปฏิมาร์ตามสมควรแก่สกัดทาคามีมาร์ตามสมควรแก่อน า, า, าคามีมาร์ตามสมควรแก่อ า, า, า, ามม ร, อรหัตตมาร์ตรงนี้เป็นต้นย้อนกลับไปดูกัำว่าการครบสัตวบุรุษนถามว่าต้องยังไงบอกว่าต้องศรัทธาในสัตว์บุรุษจริงๆคือในพระพุทธเจ้า ที่ท่านบอกคุณบุตรเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งลงใกล้เไมเมื่อนั่งใกล้แล้วเนี่ยย่อมเงี้ยโสหรือยิกเงี้ยหูลงฟังเมื่อเงี้ยหูลงฟังแล้วย่อมฟังพระธรรมครั้นฟังพระธรรมแล้วย่อมทรงทมนั้นไว้ตรงนี้เป็นสุดตามัยยานางนะ ย่อมพิจารณาเนื้อความเห่งธรรมที่ทรงไว้แล้วคือเมื่อทรงธรรมแล้วก็จะพิจารณาแปลว่าทรงจำไว้เป็นอย่างดีแล้วก็จะพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่นั่นแล้วเนี่ยทำทั้งหลายก็ทนซึ่งความพินิจก็จะทนต่อการเพ่งนั่นเองเมื่อทำทนต่อความเพ่งพินิจได้อยู่ฉันทะย่อมเกิดความพอใจย่อมเกิด เมื่อชันท่าเกิดอุตสาหะก็เกิดขั้นอุตสาหะเกิดก็ย่อมไตรตองขั้นไตรตองแล้วก็ย่อมตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรแล้วก็มีตนส่งไปใช่ไหมย่อมทําให้แจ้งชัดซึ่งปรมาทสัจจาด้วยนามกายแล้วก็เห็นแจ้งด้วยตลอดซึ่งปรมาทสัจจาด้วยปัญญาเนะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสตรงนี้ให้สังเกตด้วยนะอลองลองตรวจสอบถ้าเราครบอาสัจบุรุษ และละถ้าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราก็ไปฟังคําสอนของอศัศวบุรุษพอไปฟังแล้วเราก็เข้าไปนั่งใกล้ไปนั่งใกล้แล้วเนี่ยก็เงี่ยหูลงฟังเงี่ยหูลงฟังก็ย่อมฟังฟังอัตรธรรมเลยนะพอฟังอศัศธรรมแล้วก็พิจารณาพิจารณาแบบอโยนิสมานสิการไม่เป็นโยนิสมานสิการพอพิจารณาแบบอโยนิโสมานสิการแล้วเนี่ยราคะก็เกิดใช่ไหม คือไปเพ่งแล้วเนี่ยไอ้พอไปเพ่งอกุโสดธรรมหรือไปเพ่งสิ่งที่มันไม่งามต่างๆหรือสิ่งที่มันไม่จริงต่างๆแล้วในราคะก็เกิดราคะก็ได้ปัจจัยบั่งโทสะก็ได้ปัจจัยวิจิกิจช้าก็ได้ปัจจัยอุทธัจจะก็ได้ปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่าลืมนะว่าไอ้ตัวราคะเป็นต้นเกิดแล้วก็เกิดความเพียรอุตสาหะอุตสาหะอะไรเพียนผิดใช่ไหมเมื่อเพียนผิดแล้วเนี่ยอุตสาหะแล้วก็ ไปคิดในเรื่องนั้นหมกมุ่นในเรื่องนั้นเมื่อหมกมุ่นในเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่อุตสาหะแล้วก็ตั้งความเพียนเพียนผิดอีกเพียรให้บาปเกิดเพียนให้อกุศลธรรมมลามกที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่ลามกเกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพ่บูรยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปแล้วก็มีตนส่งไปใช่ไหมตนในที่นั้นก็หมายความว่ามีจิตหรือมีกายนั่นแหละย่อมกระทํา ย่อมกระทํากรรมทั้งด้านกายกรรมบางวัจีกรรมบ้างและมนโนกรรมบ้างมันก็เป็นอย่างเนี้ยวัตตะมันถึงได้เจริญเงมันถึงได้เจริญนี่ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องต้องพยายามกันบาปอกุศลถ้าอย่างนั้นปัญญาจะไม่เกิดเยนเวรีเขาจะไม่ยังว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าอายนิโสมนาศการเกิดอู้ยกรมมาฉันท่าจะเกิดรุนแรงมากให้สังเกตดูไหมบอกว่าโอ้เรายอมไม่ได้เลยบางทีเราอุย้ยยอมไม่ได้ ยังไงต้องเห็นดำเห็นแดงเลยบรเิเวณนั่นๆอย่างนี้ต้องต้องชัดเจนต้องอะไรต่างๆที่จริงก็คือว่านั่นแหละที่จริงก็คือบาปอากุศลแธรรมนั่นเองมันไม่หยุดให้สังเกตดูพระพุทธเจ้าตรัสตรัสกับองค์คุลีมานเนะี่ยที่บอกว่าอะไรเนะี่ยแต่ฐาคตหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดตรงเนี้คือว่ากายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมบาปอากุศลแธรรมอนลามกทั้งหมดทั้งสิ้นอกุศลทุจริตทั้งหลาย แต่ฐาคตหยุดหมดแล้วแต่เธอที่ยังไม่หยุดตรงนี้เธอต่างหากที่ไม่หยุดพยาย า, ยพยายามไต่ต่อพยายามอะไรต่างๆเลนี้เออองคุริมาณมีปรรัญญาเยอะมีปัญญาคิดเอ๊ะทําไมสมณะพูดเช่นนี้เนะึ่ยทาไมจึงพูดเช่นนี้ทั้งๆ ท, ที่เดินหนีเรื่อยๆบอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วในความหมายบัณฑิตพูดอย่างนี้พบเนี้ท่านรู้เลยนะท่านตรึกท่นดีแต่อย่างเรานีเอ๊ะมันคนละเรื่องเลยเนะี่ย นี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเออถ้พิจารณางี้ก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่านี่แหละ ว, วัตตาจเจริญได้ด้วยอาการอย่างนี้ออวัตตาจเจริญได้ด้วยด้วยอาการอย่างนี้ฉันบอกอาการฟังที่จะเป็นสุตตามายะยานนั้นต้องต้องชัดเจนในการฟังนะเหมือนการศึกษาอะไรทุกอย่างเนี่เหมือนกันนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอาันรตุกัดพวังนะ จะศึกษาในเรื่องของอาคันตุกะผวังในเรื่องของอาคันตุกะผวังนี่ได้พูดไปแล้วถ้าถามบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของอาคันตุกับผวังนี่ต้องดูตรงไหนต้องดูบอกว่าศึกษาผวังเดิมให้ให้ชัดเจนก่อนคําว่ามูลภวังเดิมเนี่ยจิตที่เป็นมูลผวังเดิมได้นั้นมีทั้งหมดสิบเกดวงคืออุเบกขาสองมหาิบาก8ดแล้วก็รูปาวัจระวิบากหอารูปาวัจระวิบากสี่ อย่างนี้ใน19ดวงนี้เขาเรียกเป็นมูลผวังเดิมได้แต่ในจํานวน19ดวงนั้นมาแบ่งเป็นอาคันตุกะวังได้เลย อ, อาคันตุกะวังเขาแปลว่าผวังใหม่คือผวังที่จรมาไม่ใช่ผวังที่สืบเนื่องมาจากปฏิสนธิถามว่าองค์ธรรมของอาคันตุกะวังมีมีหกเหนะอุเวขาสันติรณะสองแล้วก็หมห า, าอุบาุเเวขาสมีหดวงเนี่ย แต่มาแยกใส่ห้าใส่หนั้นเพื่อให้ให้ให้เป็นไปตามว่าวิถีอะไรอันนั้นเพื่อให้ชัดเจนจําง่ายกันก็ว่ากันไปแต่ถ้าว่าโดยองค์ธรรมของเขาจริงๆก็มีหกนะก็มีหกแต่ถ้าพวกเราศึกษากันก็คือว่าถ้าหากมีที่อยู่ในอติมันตารมิถีก็มีเท่าไหร่มีห้ามันตารมวิถีมีหอติวิภูตารมวิถีห้าวิภูตารมิถีก็หกใช่ไหมทางมโ น, นตวนันใช่ไหมทีนี้ ในจํานวนหกดวงเนี่ยถามว่าไม่ใช่จิตประจำภพหรือไม่ได้ทําหน้าที่รักษาภพใช่ไหมเพราะคําว่าผวังเนี่ยย้อนกลับไปดูที่ผวังนั้นน่ยที่ศึกษากันมาแล้วนั้นแปลว่าอะไรผวังเนี่ยแปลว่าอะไรผวังคปาตากแปลว่าอะไรตกไปกี่อย่างผวังก็ปาตานี่ยปาตานี่ก็แปลว่าการตกไปใช่ไหมผวังคปาตาก็คือการตกไปในกระแสจิต โดยความเป็นภวังเนะ่หมายการคืนตกไปเป็นภวังวิกในหนึ่งก็คือว่าการตกไปในภวังขกิจผวังขฐานแล้วก็ภวังคอารมณ์ถ้าถ้าในยัก์ของการแปลลักษณะอย่างนี้มองเห็นภาพของผวังได้ชัดเจนขึ้นถ้าชีบัวมองเห็นแล้วแต่ก่อนศึกษามาอาจจะไม่ค่อยชัดพอพูดถึงผวังปุ๊บเ็บอกต้องมาจากคำว่าอะไรก็ออกมาจากคว า, าว่าผวังคปาตะ คือการตกไปแห่งกระแสจิตโดยความเป็นผวังคือกระแสจิตธรรมดามันตกลงไปแล้วก็กลายเป็นภวังนี้เห็นเลยเห็นภาพมันตกลงไปตกจากวิถีจิตเลยกลายไปเป็นผวังใช่ไหมถ้ามองอธิบายลักษณะเช่นนี้ก็มองเห็นภาพหรือถ้ายังไม่ชัดก็บอกว่าตกไปในผวังคกิดเข้าใจคําว่าผวังคกิดไหมกิดไม่ใช่จิต ใ, ใช่ไหมผวังคกิดเขาแปลว่าอะไร ทำหน้าที่รักษาภพตกไปรักษาภพตกไปทําหน้าที่ตกไปไปมีหน้าที่หรือตกไปเพื่อไปทํางานรักษาภพชัดเจนคํานั้นต้องชัดเจนคํานั้นงั่นความหมายหนึ่งหรือตกไปในฐานะไปเป็นผวังคานไปอยู่ในผวังคานก็ไปดูผวังคานมีอะไรบ้างอะที่เป็นฐานในกระผวังไอชวนาะผวังจุติ โฉนะตทาภวังจ um. huh. ุติเห็นไหมไอตัวโฉนะภวังจุติตัวโฉนากับจุติจึงเป็นฐานของภวังตัวตทาภวังจุติเห็นไหมไอตัวจุติจึงเป็นฐานของตัวปตถาธรรมนะกับจุติจึงเป็นฐานของภวังอย่างนี้เป็นต้นนีก็ไปตกลงในฐานนะไปอยู่ในฐานของภวังภวังก็ฐานมีกี่ฐานมีกี่ฐานหกฐาน พยายามดูใช่ไหมเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการตกไปเป็นผวังขกิจไปทากิจในการรักษาภพการตกไปอยู่ในผวังคานาไปอยู่ในฐานที่มีอะไรเป็นฐานให้เขาแล้วก็ในฐานะั้เป็นอะไรกันอารมณ์ของผวังมองเห็นว่าอารมณ์ของผวังคือตกไปเพื่อจะไปรับกรรมมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารม์มองเห็นใไหเนี่ย นี่อธิบายผวังต้องให้มันชัดลงอย่างเงี้ยอธิบายอ๋อผวังผวังนี่ยุ่งเลยอย่างเงี้ยต้องให้มองเห็นภาพปุ๊บลงมาบอกโอถ้าเขาถามผวังเราก็บอกเขาไปโอ้มันตกเขาเรียกผวังคเขาปาตาปาตาแปลว่าการตกไปเน้ออะไรเนอ่ยผวังก็คือตัวจิตนั่นเองคือกระแสะจิตนั่นเองคือกระแสะจิตที่ตกตกจากวิถีถ้าอธิบายงี้ไม่ยากใช่ไหมโล่งไหยค่อยหายใจคร่องมองหน้านักเรียนเริ่มชัดขึ้น แม่ถ้าพูดอย่างนี้มันชัดนี่บอกอ๋อแล้วก็จําว่าปตาต่าแปลว่าการตกไปอย่างมหาณูชิตก็สบายแล้วก็ไปบรีได้ว่าปาตาคือการตกจิตนี่เป็นอย่างนั้นการตกไปโดยความเป็นผวังแล้ว ก, การตกไปในผวังก็จิตผวังกฐานและอารมณ์ของผวังนะี่เนี่ยเออถ้าหากบอกว่าในเรื่องนี้ยถ้าจะอุปมาเหมือนอะไรเดียเอาเหมือนกับนายทับนายนายทวานในประตูได้ไหมหรือเด็กของชาวบ้านก็ได้ แล้วก็ผลมะม่วงแม้จะอุบมาเหล่านั้นก็พึงจะเอามาจากคมภี์อัตถกถาเออดูจากคัมภีร์อัตถกถากันเถอะเหมือนอยังไงถ้าจิตอยู่ในภวังได้ไหมถ้าจิตอยู่ในภวังเนี่ยเป็นยังไงจิตนั้นก็ไม่ไม่เกิดขึ้นมารับอารมณ์แต่ถ้ามีมะม่วงหรือมีวัตถุสิ่งของล่วงหล่นลงมากระแสจิตที่อยู่ในภวังก็จะตื่นขึ้นมาแปลสภาพเนี่ยใช้คําว่าแปลสภาพมาเป็นวิถีจิตเมื่อรับ เสวยรู้อารมณ์เป็นเสร็จไปตามกระแสจิตก็ตกลงไปเป็นผวังตามเดิมนี่เป็นอย่างนั้นส่วนอาคันตุ ก, กะผวางไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ไหมที่จะพูดเนี่ยอาคันตุ ก, กะผวางก็ต้องพูดคนละเรื่องที่พูดสักครู่นี่เป็นมูลผวังเขาแปลผวังเดิมใช่ไหมหมายถึงผวังที่สืบเนื่องมาจากปฏิสนธิไอผวังที่สืบเนื่องมาจากการเกิดเนพอหลังจากปฏิสนธิแล้วจิตดวงที่สองเป็นผวัง เขาเรียกว่าปฐมผวาวง<ม>พืพ้นผวาวงดวงแรกแล้วก็ต่อมาก็เป็นทุติยาผวาวงเป็นต้นเนี่ยเออก็ดูอย่างนั้นแต่ถ้าอาคารตุกาผวาวงนี้เป็นไม่ใช่สืบเนื่องมาจากปฏิสนธิเขาเรียกว่าผวาวงที่จรมาจรมาใหม่ไหมจอนมาใหม่ด้วยอาคารตุกาเนี่ยจรมาใหม่ถ้าเป็นอาคารตุกาในพระวิ น, ยนัยนี่ก็รู้กันแล้วใช่ไหมหมายถึงอะไรผู้จรมาแล้วยังมีวัดด้วยนะอาคารตุกาวัดเนี่ยวัดที่พึงจะปฏิบัติต่อ หรือวัดที่อาคารตุกกาพึงจะปฏิบัติหรือปฏิบัติต่ออาคารตุกกาเนี่ยจะต้องมีข้อปฏิบัติในการที่จะพึงปฏิบัติเอายังมีนะอย่างยกตัวยอย่างเช่นพระที่จะไปนเนี่ยเรียกว่าอาคารตุกะว่าเดินทางเออพระที่จะเดินทางงั้นอีกคนละศัพท์เนี่ยจิตหกดวงนี้ไม่ใช่จิตประจำภพหรือไม่ได้ทําหน้าที่รักษาภพโดยตรงแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิถีจิตตรงนี้ยอดทะเลบอกคงเป็นวิถีมุตตจิตนี่สันนิฐา น, น เขาบอกคงเนี่ยเอาไปรวมกันกับวิถีมุตติจิตไม่ได้คนประเภทต้องบอกอาคารตุกัดผวังเท่าไหร่ก็บอกเข้าไปเลยให้ชัดเจนลงตรงนั้นก็ต้องแยกเขาอันนี้คืออาคารตุกัดผวางแล้วก็บอกอาคารตุกัดผวังมีเท่าไหร่จะแยกเขาตอบไปเพราะตอนอารมณ์ยังต้องบอกเลยอาคารตุกัดผวังรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดในบรรดาอารมหกที่ตนชานาญแล้วในภพนี้มีการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นด้วยนี่สูตรก็ว่างั้นน่นนะ สวดจะมองภาพจำได้โอ้เป็นแบบนี้เป็นต้นนะบางคนก็ยกแค่นั้นนะไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นให้ด่าคนอื่นเป็นต้นน่ยก็มีไม่ใช่ใจอารมณ์ดีๆเสมอไปใช่ไม่ใช่อารมณ์หกทีนี้เกี่ยวในเรื่องของอารมณ์อจิตทั้ง6ดวงเนี้รับอารมณ์ไม่ใช่ปัจจามภพคืออารมณ์ของเขาไม่ใช่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์นะแต่อารมณ์นั้นก็ไม่ใช่อารมณ์ใหม่นะ ควรจะเรียกว่ารับอารมณ์กลางเก่ากลางใหม่แอธิบายตามสูตรเนี้ยถามว่าอารมณ์นั้นก็ได้แก่อะไรละอารมณ์ของเขาเนี่ยคืออารมณ์6นั่นแหละถ้าอารมณ์6กเนี่ยที่ชำนานมาแล้วในภพนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็มีพวกเนี้ยกลามะจิต54าิเจ152สองรูปยี่แปน่แต่ท่านไม่ได้ใส่บัญญัติเข้าไว้เออเป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมจิตเหล่า น, นี้ไม่ใช่โชนะเห็นหมไม่ใช่โชวนะเออกก็แปลกดีเหมือนกัน มูลและผวังกับอาคารตุกาผวางเนี่ยนะอสังเกตย้ำเตือนดังที่ได้กล่าวคืออาคารตุกาผวางมีรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะไม่ได้รับต่อจากชาวนะนั้นอย่าไปเอาเกี่ยวข้องกับชาวนะนั้นในตรงนี้แหละพอไม่ได้เกี่ยวข้องกับชวนะที่เรามาใส่องธรรมห้าองธรรมหกเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเริ่ม ม, มีปัญหากันเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าไอ้ชาวนะไอ้เป็นตัวมีผลอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยเช่นใน จากขูทาวาริกาตีมหันตารมวิถีตถาลัมหนาว่าไอที่อักทีิชวนาวรามีอาการตักับพระวังเนี่ยไออารมณ์มันก็จะต้องใส่ห้าที่อธิบายโดยสูตรทั่วๆไปใส่ห้าคือให้สอดคล้องกับวิถีนะอาจารย์เคยพูดนะพูดไป พ, พ, พูดมามันยังไงเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับวิถีนี้แล้วก็ยังเอาอารมมาเกี่ยวอยู่นั่นแหละเอาความสืบเนื่องมาเกี่ยวอยู่นั่นแหละคิดไปคิดมาคิดไม่ออกปุถุชนอย่าเราคิดไปมันหลากหลายในตรงเนี้ย มันไม่ได้เกิดในวิถีนี้ไม่ได้เกิดในวิถีนี้ใช่แต่มันมีอารมณ์ในอดีตในพบนี้แต่ทีนี้ในวิถีเนี้ยที่ต้องเชิญอาจารุกกาอมาในวิธีเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะมีอภูสลเลยวิถีเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นแบบไม่มีอภูสลรับเลยนะคะวิธีไหน รวังมันรวงิก็ไม่ได้เป็นอกุศลแล้วก็จิตต่างๆทยังีจิตก็ไม่ได้เป็นอกุศลแล้วพอมตกน่ยอดก็ไม่ได้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอาครตุกกะเนี่ยจะาเพื่ออกุศลได้ยังไงอยู่ดีนแล้วชาวนาไม่เป็นอกุศลได้ก็ชาาไม่เกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วนี่ฮะนี่ถ้าไปเจอคำพีคมภีหนึ่งนะก็ว่าโดยส่วนมาก เขาบอกว่าถ้าชาวนะเป็นโทสะแล้วตทารมนาเนี่ยท่านไม่ให้ถึงสิบเ็ดด้วยซ้ำเลแต่ท่านไม่ให้ท่านไม่เออตาทารมนานี่ท่านให้แค่สามแคนั้นเป็นส่วนมากเอเอาเลสิบางคมพีอ่อันนี้ชั้นของอัตถกถาใช้นดีการเนะี่ยถึงบอกว่าอย่าไปวิฉัยเลยถ้าวิฉัยก็จะมีตัวอื่นสกัดมากกว่านี้ที่ไม่ค่อยยกมาให้งงันไรนี้เยอะ ถึงบอกว่าแค่แค่เอาอากุศล ช, น, ช น, นะมาตั้งปุ๊บเนี่ยก็เป็นอันตรันอันันตระปัจจัยให้กับจิตที่เป็นบาปทั้งหลายเนี่ยนนเอจะเป็นปัจจัยแกบุญทั้งหลายถ้านั้นถ้าเป็นปัจจัยแกบาปเนี่ยมันทําไมจะไม่สอดคล้องเขาให้เขาได้บ้างเออถ้าจะเป็นไปได้เอาสิใช่ไหมอันนี้ก็คานเพียไม่ได้นะเพราะว่ามุขีนี้โฉนดมันเป็นโฉนจมันก็ต้องเป็ อาการดูกับผวางมันเกิดต่อและติดเลยเนี่ยทาไมไม่เอาบาปมาติดกับเขาบังเลาห่วงั้นน่ะถ้าไปคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่นเนี้ยใช่ไหมจ่าพอถึงบอกยังมีอีกเยอะมองไม่ิเนี่มเนี่ยไม่ไม่เป็นอเลยนะใช่ทั้ ง, งวางก็ไม่เป็นแล้ ว, ลวโทรศัทเป็นหรือเปล่า เธอบอกอเอ้ยโทสะไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วเพราะต่ธาลัมน้าไม่ได้เป็นไปไอ้แต่ธาลัมน้าไม่ได้เป็นไปตามชวหน้านี่เขาเป็นไปตามอารมณ์ต่างหากว่าังนั่นนี่ไปไปมาถ้าอธิบายอย่างงั้นคุณเอาต่ธามาอธิบายแล้วไม่ใช่อคติถุกะผวังแล้วเอาเอาต่ธาลัมนาแล้วไม่ใช่อาคัานถุกะผวังแล้วฉะนั้นทั้งคัำพีบางที่เขาจึงยืนหลักหกไว้ไงขเขายืนหกไว้ไงเพราะถ้ายืนหกไว้นี่มันตามหลักสูตรแล้ว มันตามตามความไอ้ตามตา ม, ตามจุดเขาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปคัดแยง้งคัดง้างอะไรเพรามันมีหกใสไว้หกเลยอย่างเราเราจะรู้อะไรใช่ไม่ใช่ปัญญาอย่างเราจะรู้อะไรนอกจากตามคมภีร์ถ้าไปคิดเอาเองมันคิดมาก็มันก็ไม่โลง่งจะไปโลง่ลงได้ยังไงคิดแล้วมันก็ไม่ชัดลงไปด้วยสัพพัญยุตยาน แต่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าก็แย้มเลยบอกเออตรึกพระธรรมอย่าให้โทสะเกิดแค่นั้นเดียวทยังไงอย่าให้โทสะเกิดคืออย่าให้บาปเกิดน่ะตรึกให้เป็นบุญไปพิจารณาให้เป็นบุญไปนี่มองให้ออกนะตรงนี้นะมนุษย์เข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นถึงบอกมีอารมณ์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะไม่ใช่อารมณ์ในวิถีนี้ใน จากขูทวาริกาอติมหานตารมิถีชาวนาวรามีอาคารตุกาผวังนี่เขามีอติอิทธารม์อติอิทฐรูปารมอติอิฐธสัทธารมอติอิทธคันธารมอติอิฐธราสารมอติอิฐธโพธพารมมือเนอะก็อารมณ์นั้นอารมณ์ประเภทที่จะว่าใหม่ปัจจุบันก็ไม่ใหม่จนเกินไปแต่ว่าอารมณ์นั้นน่ะเก่าลักษณะเช่นแต่ว่าอารมณ์นั้นคือการประจิตท่าสีนะ รูปยี่สิบแปดเจสิบห้าสองรูปยี่แปดเนี่ยในภพนี้อารมณ์ในภพนี้เช่นอัธยาศัยที่เคยไหว้พระสวดมนต์ที่เคยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่เคยทํากิจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทันยกตัวอย่างอยู่ที่มีการบูชาผ้าเป็นต้นลักษณะเช่นนั้นเป็นอาการตัวกาพวังในภพปัจจุบันเนี่ยในภพปัจจุบันเนี่ยถ้าพวังเนี่ยก็มี กร ม, มนิมิตรกรร ม, มาอารมณ์กร ม, มนิมิตรหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้อาันรตุกับภวังเกิดเฉพาะวิถีที่มีชาวนะเป็นโทสะด้วยไอตรงนี้ชัดเลยจะไปเกิดในอติมานตารมมานตารมอติวิภูตารมหรือ ว, วิภูตารมก็ต้องชาวนะเป็นโทสะอันนี้ยืนตาย ต, ายตัวเลยและประการต่อมาคือว่าอาการตุกับภวังเกิดใน สอมนัสปฏิสนธิบุคคล4นะทวิเหตุกบุคคลตีเหตุกุกบะุถุชนโสดาบันบุคคลและสกะทาคามีบุคคล